ตอนที่24ี่หุบ ป, ปากห้ามร้องคนเต็มห้องต่างเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงหากไม่ใช่เพราะความเจ็บแสบบนใบหน้าเสียชิงจือคงไม่เชื่อว่าเมื่อครูนางเพิ่งถูกตกไปฉาดหนึ่งตั้งแต่เล็กจนโตแม้ตระกูลของนางจะถูกกวาดล้างจนต้องมาอาศัยพึ่งพิงผู้อื่นในจนสิ้นอ๋องก็ไม่เคยมีใครกล้าขึ้นเสียงใส่นางแม้แต่คําเดียวมีเพียงเยี่ยยเท่านั้นที่ไม่เพียงแต่จะไม่ไว้หน้านางในคําพูดแต่ยังแย่งพี่ชายเซินไปจากนางอย่างเปิดเผย และตอนนี้ถึงขั้นลงมือตบนางต่อหน้าผู้คนเสี่ยชิงจือเบะปากด้วยความน้อยเนื้อตําใจแล้วร้องให้โฮออกมาเย่เยารําคาญท่าทางบีบน้ําตาแ้งทําเป็นหน้าสงสารเพื่อปัดความรัผิดชอบของนางเต็มทนจึงตวาดลัน่นหุบปากห้ามร้องเสี่ยชิงจือถูกขู่จนขวัญเสียนางรีบผูกปากทันทีเม้มริมฝีปากแน่นไม่กล้าส่งเสียงอีกแต่ทว่าน้ําตากลับไหลพรากไม่หยุดดูหน้าเวทนาเป็นที่สุดหวังเฟย์มิอาจด่าที่เย่เยาต่อหน้าคนสกุลเย่ได้ จึงได้แต่โอบ ก, กอดเสี้ยชิงจือพลางปอบโยนด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเสี้ยชิงจือเรียกท่านนะด้วยความอัดอั้นสบหน้าลงกับอกของหวังเฟยถึงได้กล้าสะอื้นเบาๆคนสกุลเย่ต่างมองหน้ากันไปมาแม่นางน้อยคนนี้ช่างใจกล้าบ้าบิ่นขึ้นทุกทีซื้อจือก็ไม่กลัวหวังเฟยก็ไม่สนแม้แต่เสี้ยชิงจือก็ยังกล้าลงมือตบหน้าขนาดลิ้นเซินนางยังกล้าตีแล้วเสี้ยชิงจือจะนับเป็นตัวอะไรสำหรับเย่ยาว นางไม่มีท่าทีหวาดหวั่นแม้แต่น้อยกลับเปิดโปงโฉมหน้าแซงทำเป็นหน้าสงสารด้วยน้ำเสียงเย็นชาถึงขนาดนี้แล้วเจ้ายังจะปัดความรับผิดชอบอีกรึไม่ได้ยินที่แม่นมจางพูดหรืออย่างไรยังไม่ถึงเวลาอาหารท่านย่าย่อมไม่มีกะจิตกระใจจะกินอะไรอีกทั้งขนมพวกนี้ก็เป็นของโปรดของท่านปู่ท่านย่าจะตัดใจกินลงได้อย่างไรเสี้ยชิงจึงเงยหน้ามองเยี่ยยด้วยดวงตาแดงกับนางกุมแก้มที่ถูกตบจนแดงช้ำพางนิ่งเงียบไร้คำโต้แยง้ง เจนเจนำทางท่านหมอหลี่เร่งรุถมาถึงคุณหนูท่านหมอหลี่มาแล้วเจ้าค่ะเยี่ยเยาเอ๋ยท่านหมอหลี่ท่านรีบรวจดูอาการท่านย่าเลย ข, ข้าเห็นใบหน้าท่านย่าเขียวคล้ำดูเหมือนจะถูกพิษไอหยาคุณหนูโปรดวางใจยกให้เป็นหน้าที่ข้าเองท่านหมอหลี่ไม่ทันได้เช็ดเหงื่อก็รีบไปที่ข้างเตียงเพื่อตรวจชีพจรที่ชายและพี่สะใภ้รีดตามไปเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเยี่ยเยาหันไปถลึงตาใส่เสี้ยชิงจืออีกครั้ง จ้จงสวดอ้อนวอนต่อเทพเซียนเถิดว่าท่านยาไม่ได้เป็นอะไรเพราะอาหารยาของเจ้ามิฉะนั้นเยี่ยยเหลือบมองหวางเฟยแววตาคมกริบดุดใบมีดต่อให้จนสิ้นอ๋องจะให้ท้ายเจ้าข้าก็ไม่มีวันเลิกรากับเจ้าแน่กําลังจะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วอย่าอยา่าพูดจารุนแรงเกินไปหน่อยมั้งเสียงของหลิงเซินดังขึ้นที่หน้าประตูพร้อมกับองครักษ์ที่หวางเฟยสั่งไว้เมื่อครู่มาเร็วเสียจริงเรื่องของเซี่ยชิงจือนี่เขาช่างใส่ใจนัก เยียวย่อมองเขาเขม็งยังไม่ทันไดเอ่ยปากเสี้ยชิงจือก็โผเข้าหาเขาแล้วร้องให้สะอึกสะอื่นที่ชายเซินเมื่อมีคนให้ท้ายเสี้ยชิงจือก็ปล่อยโฮออกมาทันทีนางกุมแก้มที่แดงช้ำให้หลิงเซินดูเป็นการฟ้องโดยไม่ต้องเอ่ยคําพูดแม้แต่คําเดียวหลิงเซินมองหน้าของนางครู่หนึ่งโดยไม่รู้สึกแปลกใจเลยสักนิดขนาดเขายังโดนเยียวยตีแล้วเสี้ยชิงจือจะถูกรังแกต่อหน้านางก็ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ตอนนี้ฝ่ายตนเป็นฝ่ายผิดหลินเซินจึงไม่อาจแข่งข้อได้เต็มที่เย่ย์ยาไม่ไว้หน้าเขาแม้แต่น้อยซสื้อจื้อก็พูดเร็วไปหน่อยฆ่าแซ่เย่นางแซ่เซียจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้อย่างไรหวังเฟยพย า, ายามไก่เกลีย่ยชิงจื้อเป็นคนของจวนอองหลังจากเย่ย์ย์แต่งงานกับเซินเอ๋อแล้วก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นแหละเย่ย์ย์แย่แค่นเสียงเย็นหากเป็นครอบครัวเดียวกันเหตุใดนางถึงได้หาทางทําร้ายท่านย่าของข้าซ้ําแล้วซ้าเล่าหวังเฟย เสี้ยวชิงจือร้องให้พลางแก้ตัวที่เย่เรื่องลูกประคำหอมประหลาดจากซีวี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหูหญินเท่าจริงๆนะเจ้าะคะข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆจะต้องให้ข้าทําอย่างไรท่านถึงจะเชื่อว่าข้าไม่ได้มีเจตนาทําร้ายคนนางยิงจะมาทําตัวน่าสงสารอีกรึลินเซิร์นฟังเรื่องราวจากสาวใช้ข้างกายหวังเฟยแล้วจึงเอ่ยแทรกขึ้นเรื่องลูกประคำหอมประหลาดจากซีวีมันผ่านไปแล้วตอนนี้อาการของฮูหยินเท่าวิกฤต สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องหาสาเหตุของโรคให้พบก่อนสาเหตุของโรคหรือเยี ย, ะยะหัวเรา ะ, ะใบหน้าท่านหญ้าเขียวคล้ำเห็นชัดว่าถูกพิษหลายวันมานี้ร่างกายของท่านหญ้าดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนางนำสิ่งที่เรียกว่าอาหารยามาให้นอกจากอาหารยานี่แล้วท่านหญาก็ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นอีกเลยคนตาดีที่ไหนก็มองออกว่าต้นเหตุมันมาจากไหนซื้อจืดคงไม่ได้ตั้งใจจะลำเอียงจนแส่งทำเป็นมองไม่เห็นหรอกนะ ลินเซิร์นโกรธจนตัวสั่นเจ้านามีความสามารถในการจุดไฟโทสะของเขาได้ทุกเมื่อจริงๆท่านหมอหลี่เอ่ยขึ้นได้จังหวะพอดีขอดูอาหารยาที่ฮูหญินเท่ากินเข้าไปหน่อยได้หรือไม่แม่นมจังรีส่งอาหารยาที่เซี่ยชิงจือ น, นามาให้เดิมทีฮูหญินเท่าก็แทบไม่ได้กินจึงยังเหลืออยู่อีกมากเยี่ยเยาครั้นจะต่อปากต่อคากับพวกลินเซิรนจึงรีบเดินไปที่ข้างเตียง ท่านหมอหลีรับอาหารยาไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อหน้าทุกคนพลางใช้ตะเกียบเขี่ยดูและดมกลิ่นอย่างละเอียดทันใดนั้นสีหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงขอถามแม่นางชิงจือในอาหารยานี้มีสมุนไพรอะไรบ้างเสี้ยชิงจือชะงักไปเริ่มรู้สึกผิดอยู่ในใจล้วนแต่เป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายและช่วยให้เจริญอาหารเจ้าค้าทำตามตำรับยาในตำราบโบราณ นางยื่นใบสั่งยาให้พรางพร่ำแก้ตัวให้ตัวเองไม่หยุดท่านหมอหลี่อ่านจนถึงบรรทัดสุดท้ายใบหน้าก็ซีเเผือดลงทันทีอย่างซานจาก็เป็นของที่ช่วยให้เจริญอาหารและย่อยง่ายย่อมไม่มีพิษแน่นอนเจ้าคะสมุนไพรในใบสั่งยาทั้งหมดล้วนเป็นของดีไม่มีพิษแม้แต่นิดเดียวท่านหมอหลี่เช็ดเหงื่อพรางเอ๋ยขัดนางสมุนไพรในใบสั่งยานี้หากแยกกันจะไม่มีพิษแต่เมื่อนำมาผสมรวมกันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีพิษร้ายแรง ทุกคนสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างรุนแรงโดยเฉพาะเซี่ยชิงจือที่ใบหน้าซีดเผือดถึงขีดสุดนางละล่ำลักนี่จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรเยี่ยเยาเหลืออดนางคว้าใบสัญญาจากมือท่านหมอหลีแล้วควงใส่หน้านางหลินเซินรีบดึงตัวเซี่ยชิงจือไปหลบข้างหลังมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาลงไม้ลงมือเช่นนี้มันจะไปงามได้อย่างไรเยี่ยเยากโกรธจนควันออกหู เช่ศรีขามันคนไม่งามชอบลงไม้ลงมือแล้วเสื้อจื่อจุนขอราชองค์การพระราชทานสมรสมาแต่งค่าเป็นเสื้อจื่อเฟยทําไมกันตอนนี้นางเกิดจะค่าท่านย่าของข้าค่าโกรธมันผิดนักหรือเมื่อครูท่านปกป้องนางบอกว่าให้หาสาเหตุตอนนี้หาเจอแล้วว่าเป็นความผิดของนางท่านก็ยังจะปกป้องนางอีกหลิงเซินเยี่ยยถูกกระตุ้นความทรงจําเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในชาติก่อนจนตัวสั่นด้วยความโกรธ ท่านจะลำเอียงไปถึงเมื่อไหร่จะปกป้องนางไปถึงเมื่อไหร่กันหลินเซินข้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นแต่พอถูกนางพูดเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะลำเอียงเข้าข้างเซียชิงจือโดยไม่รู้ตัวจริงๆชั่วขณะนั้นเขาถึงกับพูดไม่ออกเยี่ยเยาตาแดงกำ่ำในเมื่อท่านรักถนอมนางปานนั้นจะฝืนใจมาแต่งกับข้าทําไมในเมื่อข้ามันแย่ขนาดนี้แล้วท่านจะมาขัดขวางเรื่องของข้ากับชูชือ้อทําไมต้องสอดมือเข้ามาแทรกด้วย พ่อลูกสกุลเย่เดี๋ยวนะชูชือ้อเยาเยาบ้านพวกเขาไปเกี่ยวพันกับชูชือ้อตั้งแต่เมื่อไหร่เย่หัวมีความสัมพันธ์อันดีกับชูชือ้อเย่หูเสียถึงกับถลึงตาใส่เขาเย่หัวรู้สึกได้รับความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งชูชือ้อไม่ได้บอกอะไรเขาเลยเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นลินเซิร์นอ้าปากครั้งพบว่าตนเองไร้คําอธิบายเขาไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นจริงๆแต่พอฟังจากปากนางแล้วกลับทําให้คนรู้สึกว่าเขามีเจตนาลําเอียงเข้าข้างเสีย้ยชิงจือจริงๆ แล้วมันก็ชัดเจนอย่างยิ่ง